เนื้อหาในรายการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคุณกันนิกาเล่าเรื่องขนหัวลุกเมื่อวิญญาณห่วงสมบัตินะคะบอกว่าป้าตอเนี่ยเป็นคนดุมากค่ะดุพอๆกับความเจ้าระเบียบแล้วก็ความซื่อตรงจงรักภักดีนะคะ แล้วก็ป้าต้อนี่ก็เป็นค่าเก่าเต่าเลี้ยงของคุณแม่ดิฉันเองอยู่กันมาตั้งแต่คุณแม่อายุสิบก็ขวบจนตอนนี้นี่คุณแม่80แล้วค่ะส่วนป้าต้อก็85แล้วทางานรับใช้ไม่ไหวละแต่ว่าเราทุกคนก็นับถือแกเป็นญาติคนนึงเลยทีเดียวแล้วในที่สุดแกก็มาตายจากไปเมื่อเดือนก่อนนี่เองห้องป้าตอ่อยู่ห้องชั้นล่าง ข้างบันไดของตึกใหญ่บ้านเราก็ไม่ได้อยู่ในเรือนคนใช้เหมือนคนรับใช้อื่นๆที่คุณแม่รับมาในรุ่นแรกๆนะคะคนรับใช้ในสมัยนี้เนี่ยหน้าปวดหัวมากค่ะถ้าเป็นคนไทยก็มักจะชวนกันเปลี่ยนงานบ่อยๆหรือไม่ก็ไปทำงานโรงงานเลยเหลือแต่พวกที่มาทำงานในกรุงเทพเพื่อรอเกี่ยวข้าวดำนาเวลาขอลากลับบ้านแต่ละทีนี่ก็ต้องเป็นเดือน2เดือนเลยนะแถมยังขอหยุดทุกเทศกาลประเพณีอีกด้วย เผลอๆจะออกจากบ้านเราก็ไม่บอกเลยนะคะบางทีก็บอกสักระทันหันหรือไม่ก็ไม่บอกก็ไปเลยไม่บอกไม่กล่าวส่วนเรื่องน้ำใจหรือความผูกพันกันนั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วคนรุ่นนั้นในส่วนใหญ่ไว้ใจได้ทำงานดีมากด้วยยิ่งเรากับป้าต้อก็น่ารักนะคะรักกันมากเลยละค่ะ นับว่าป้าต้อนี่อยู่ในบ้านเรามาครบสามรุ่นแล้วคือรุ่นคุณแม่ตัวดิฉันแล้วก็ลูกๆของดิฉันซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยกันแล้วแม้ว่าป้าแกจะแก่มากแต่ป้าต้อคอยดูแลคนรับใช้รุ่นใหม่ให้เป็นระเบียบซึ่งมีทั้งไทยลาวแล้วก็พมา่าทุกคนกลัวป้าต้อมากเพราะว่าแกดุแล้วก็เด็ดค่ะจริงๆ แกเข้มงวดมากค่ะถ้าใครทําผิดแกจะดุด่าจนคนนั้นเนี่ยงอไปเลยทีเดียวและถ้าจับได้ว่าไม่ซื่อแกจะไล่เลียงซะจนคนคนนั้นเนี่ยจนมุมทุกรายเลย ยังเช่นในชอบค่ะคนรถของดิฉันเองมาขอเงินไป500เพื่อเติมน้ํามันพอรับหลังดิฉันก็ไปขอจากคุณแม่อีก500โดยที่คุณแม่ก็ไม่ทราบว่าดิฉันให้ไปแล้วมาทราบเอาก็หลังจากวันนั้นเลยนะคะเพราะว่าดิฉันบอกคุณแม่ว่าถ้าใช้ในชอบขับรถไปทุระแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ํามันนะเพราะว่าดิฉันให้เงินไปเติมแล้วพอป้าตอได้ยินเท่านั้นแหละค่ะแกออกคําสั่ง บอกให้คนใช้สาวๆเนี่ยนะคะไปตามในชอบมาแล้วแกก็ว่าความมันสเสี๋ยวนั้นเลยนะคะในชอบหน้าซีดแก้ตัวว่าลืมไปเผลอไปแล้วก็หยิบเงินคืนคุณแม่ไป500บาทส่วนตัวของในชอบนั้นนะคะแทนที่จ ะ, กะโกรธของอ่าโกรธป้าต้อนี่นะคะหรือว่าจะโมโหให้ป้าต้อเขากลับนับถือแล้วก็กลัวเกรงกว่าแต่ก่อนเยอะเลยล่ะสังเกตได้จากกาัน พี่นอกพี่เทาไม่พูดยั่วยุไม่พูดหยอกไม่มีสัมมาคารวะอย่างที่เคยทําไปไหนกลับมาก็ซื้อขนมมาฝากป้าต้อเป็นประจำตอนป้าต้อไม่สบายดิฉันก็คอยดูแลแกลุกไม่ไหวค่ะอยู่ๆก็เพลียเวียนศีรษะเป็นไข้สูงหนาวสัน่นก็พาขึ้นรถไปหาหมอในชอบก็ขับไปปรากฏว่าแกเป็นกรวยไตยอักเสบค่ะรักษาอยู่นานจึงทุเลาลงแต่ไม่ทันไรก็เป็นไข้หวัดแล้วก็ปอดบวมความอ่อนแอ บ, บวกกับอายุมากขนาดนี้ป้าต้อก็เลย ต้องเสียชีวิตแล้วก็จากไปนั่นเองนะคะป้าต้อไม่มีญาติพี่น้องหรือถึงจะมีก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยแกก็มีแต่เราเท่านั้นตอนที่ตายแกมีเงินเก็บซ่อนไว้เกือบ 200,000 บาทดูสิคะซุกไว้ในที่นอนอย่างดีแกบอกคุณแม่ตอนเป็นไข้ครั้งหลังนี้เลยค่ะ ว, ว่าเงินเนี่ยคือเงินที่เราให้แกทั้งที่แกไม่ได้ทําอะไรดังนั้นแกก็เลยยกให้คุณแม่เราก็เอาเงินนี้ ไปจัดการงานศพแล้วก็ทําบุญส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ในบัญชีหนึ่งเผื่อทําบุญครบรอบวันตายให้แก่อีกระหว่างที่ทุกคนไปฟังสวดที่วัดกันอยู่ทางนี้คนใช้สาวสวยสองคนที่เฝ้าบ้านให้ก็เข้าไปในห้องของป้าต้อห้องของป้า น, นี่จัดไว้เรียบร้อยค่ะราวกับฉากในละครทีวีตู้เสื้อผ้ารุ่นเกา่าก็ยังอยู่ในสภาพดีเยี่ยมเสื้อลูกไม้ผ้าถุงสวยๆพับเรียงเป็นตั้งนอกจากนั้นก็ไม่มีสมบัติอะไรมากนัก ซึ่งป้าต้อเองแกเป็นคนประหยัดแกไม่ได้บ้าสมบัตินะคะเด็กสาวใช้ทั้งคู่คือดาวกับมนค่ะมายอมรับหลังจากนั้นว่ากลัวผีป้าต้อแต่อยากค้นหาสมบัติเพราะได้ยินว่าป้าต้อซุกเงินไว้ในห้องแล้วก็ในที่นอนนี่ไว้ทั้งสองแสนบาทการค้นหาขุมทรัพย์ในห้องป้าต้อท่าทางคงสนุกมากนะคะเจ้าหล่อนรื้อสะกระจุยกระจายทั้งในตู้เสื้อผ้าในลิ้นชักแต่ไม่เจออะไรฮะนอกจากของเล็กๆแน่น้อ ย, อยเช่นหวีสับ ที่ใช้เสียบผมมวยที่ติดเสื้อเพชรปลอมสร้อยคอที่คุณแม่กับคุณยายให้ป้าต้อเป็นสร้อยทองแขวนพระเลี่ยมทองปอ้าต้อเก็บไว้บูชาที่หัวเตียงสองสาวนี่ก็หยิบไปด้วยเนียฮะเพราะคิดว่าไหนไหนเจ้าของก็ตายและถือว่าเป็นมรดกที่ป้าต้อให้ก็แล้วกันแต่ถ้ว่ามรดกกองนี้ค่ะเจ้าของยังไม่ได้เอ่ยปากอนุญาตฉะนั้นแกก็เลยตามทวงคืนหลังจากรื้อของจนพอใจและได้เครื่องประดับแล้วก็สร้อยทองของมีค่าไปแล้ว ดาวก็เข้าอาบน้ําค่ะส่วนมนกําลังชื่นชมสมบัติจนลืมกลัวผีอยู่ในนั้นพลันก็มีเสียงเคาะประตูค่ะมนคิดว่าดาวก็เลยตะโกนไปบอกประตูก็เปิดอยู่มาเคาะทําไมจะแกล้งกันเหรอทันใดประตูก็เปิดออกช้าๆป้าต้อยืนหน้าข่าอยู่ในแสงไฟเห็นได้ชัดเจนค่ะส่วนดาวนั้นกําลังอาบน้ําอยู่ดีๆก็มีมือยาวๆของป้าต้นี่แหละลอดช่องลมมาเขกหัวดังปก๊กดาวเข่าอ่อนนั่งพับอยู่ข้างโอ่งน้ําตั้งแต่เห็นมือนั้นถนัดตา เมื่อทุกคนกลับมาจากงานศพก็พบว่าทั้งคู่อยู่ในสภาพดูไม่ได้เลยดาวมีผ้านุ่งปีกยกกระจมอกผืนเดียวส่วนคุณมลเนี่ยนะคะอยู่ในชุดเดิมค่ะแต่ว่าผมเผ้ากระเซิงทั้งคู่ตัวสั่นร้องไห้จนดิฉันต้องพาทั้งคู่ไปจุดทูปขอขมาเอาของไปคืนนะคะแล้วก็เล่าถึงในชอบสักหน่อยหนึ่งในชอบเนี่ยเขาถูกลอตเตอรี่เป็นรางวัล น, นะคะที่กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี เป็นยังไงคะคุณกัร น, นิกาบอกปอ้าต้อของดิฉันดุดีไหมล่ะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องสั้นๆเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณกันนิกาเล่าเรื่องขนหัวลุกคะ่ะเมื่อวิญญาณของปอ้าต้อเป็นวิญญาณของคนใช้เก่าแก่นะคะที่อยู่มายาวนานแล้วแกลวงสมบัติคะ่ะแม้ว่าตัวของแกจะจากไปแล้วก็ตามมาฟังอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะเป็นเรื่องของคุณ2แควนะคะสแควเนี่ยเล่าถึงประสบการณ์ขนหัวลุกจากเชียงใหม่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 วิ่งกับพื้นซีเมนรอบบ้านรอบเลยจริงๆไม่ใช่แค่วิ่งออกกําลังกายหยอยอนะแต่เหมือนคนกําลังตาลีตาเหลือกวิ่งหนีอะไรสักอย่างก็เลยวางหนังสือลงงงมากหมาก็ไม่เหา่าแต่มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เป็นความผิดปกติที่ผิดธรรมชาติะด้วยสิขณะกําลังงงอยู่นั้นค่ะเหตุการณ์ก็เพิ่มดีกรีความสยองหนักน่กนวงกว่าเก่าเสียงคนใส่รองเท้าแล้วก็วิ่งตับต๊บตับต๊บนั้นนะคะเล่นเอาผมเนี่ยมองตามเสียงไต่เตี่ยมาตามผนังด้านนอก จากชั้นล่างขึ้นมาชั้นสองแล้วขึ้นหลังคาจนผมนี่ร้องบอกเฮ้ยคว้าพ่อหมมาคุมโปงหนังสง่งหนังสือเนี่ยก็เดินไปทางไหนก็ไม่รู้เสียงวิ่งคึกคัก ค, คึกคักอยู่บนบ้านบนหลังคาบ้านเนี่ยคือน่ากลัวสุดบรรยายนะมันดังผมขวัญกันหน่าดูผมเองก็ไม่เคยกลัวอะไรถึงกับตัวสันเอามืออุดหูหลับตาปี๋สวดมนต์แบบจับต้นชนปลายไม่ถูกพักใหญ่ทุกอย่างก็เงียบสงบก็เลยเอามือออกจากหูที่จุกแน่นจนชาหนึบเลย